วันนี้ก็มีข่าวที่จะแจ้งให้กับท่านที่ใช้ Facebook ที่ติดตามการถ่ายทอดสดทาง Facebook นี้ตอนนี้เราสามารถที่จะใช้เฟซบุ๊กหน้าเก่าได้คือเพจพระอาจารย์สุชาติพิชาโตตอนนี้ใช้งานได้แล้วก็เพจ พสุชาติอภิชาโตเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้งานได้ตอนนี้เลยมีอยู่4หน้าด้วยกันมีเพศพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตเพาจพจสุชาติอภิชาโตและเพศพระสุชาติอภิชาโตเป็นภาษาอังกฤษทั้งสองอ่านเลยอันนี้ก็เลยมีอยู่4หน้า ท่านสามารถที่จะติดตามได้ในหน้าใดหน้าหนึ่งจะให้โพส์วนกันหมดเลยทั้งสี่หน้า เ, เป็นข่าวดีอ้อหน้าของพระอาจารย์สุชาติภิชาโตเนี่ยมีผู้ติดตามเกือบสองแสนหนึงแสนเก้าเลยเคลงคว้างกันไปอยู่เดือนหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะไปเข้าที่ไหนวันนี้คงจะมีข่าวดีเตือนไปงบอกให้รู้ว่าใช้งานได้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะจะได้ติดตามฟังทรรมกันติดตามเรื่องที่ดีๆคือธรรมะ เป็นเหมือนแสงสว่างทำไมจึงเรียกว่าเป็นแสงสว่างพอใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่เป็นปุถุชนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในที่มืดเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนผ้าบังตา ที่ปิดตาของพวกเราคือใจของพวกเราไม่ได้ให้เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นเวลาเราปิดตาแล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยหรือไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเราจะไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นมีอะไรบ้าง เพราะเรามองไม่เห็นถูกปิดตาเราก็ต้องใช้การจินตนาการหรือการลูกคำเหมือนกับคนตาบอดเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่าสถานที่ที่เขาอยู่นั้นมีอะไรบ้างมีสิ่งใดมีคนมีบุคคลมีอะไรมีภัยหรือไม่มีภัย เป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายเขาจะไม่รู้เพราะว่าเขามองไม่เห็นฉันใดใจของพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นภัยหรือเป็นประโยชน์ คนที่รู้นี่ก็คือคนที่สามารถที่จะเอาสิ่งที่ปิดตาหรือทำให้ตาที่บอดนั้นกลายเป็นตาที่ดีได้พ อ, อตาที่บอดกลายเป็นตาที่ดีก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้รอบตัวก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคุณเป็นโทษ มีอะไรบ้างที่เป็นภัยเป็นประโยชน์พอรู้แล้วก็สามารถบอกคนที่ไม่รู้ได้พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นเหมือนคนตาดีส่วนพวกเราที่เป็นปุทดชน ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เป็นเหมือนคนตาบอดถ้าเราไม่มีคนตาดีสอนเราบอกเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์เราจะไม่รู้เพราะเราจะใช้มือคลังา ทำไปแล้วก็จินตนาการไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ไม่ดีแต่มันมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเราสิ่งต่างๆที่เราไปสรรหากันพอเราคิดว่ามันดีมันเป็นความสุขแต่ทำไมพอได้มาแล้วมันทำไมถึงกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่า มันไม่เป็นอย่างที่เราจินตนาการภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่ามโนเดี๋ยวนี้มีภาษาใหม่มโนคือจินตนาการคิดไปเองว่าดีคิดไปว่าเป็นสุขแต่พอได้มาแล้วน้ำตาตกในก็เพราะว่าไม่มีตาที่เห็นความจริง ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขสิ่งที่เราคิดว่าดีนี่มันเป็นความทุกข์มันเป็นความทุกข์ได้อย่างไรก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่มันเป็นความสุขจริงอยู่แต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขไม่นานพอเวลามันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ต่อไปนี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันที่จะทำให้ใจเราต้องทุกข์ต้องวิตกกังวลต้องหวาดกลัวต้องห่วงใยต้องไม่สบายใจสิ่งอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความสุขกอลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนี่ ที่พวกเราหากันอยู่แทบทุกวันทุกเวลาหาเงินกันหาข้าวของหาทรัพย์สมบัติเพราะเราคิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้เข้ามาแล้วนอกจากจะได้ความสุขแล้วเราก็ได้ความทุกข์แถมมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงห่วงว่าเงินจะหมดเมื่อไหร่ เงินจะไม่พอใช้เมื่อไหร่จะหาเงินได้อย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาลนะแล้วก็หวงพอเรามีเงินมีทองแล้วก็หวงความหวงก็ทำให้เราไม่สบายใจใครมาขอยืมเงินหน่อยนี่ไม่สบายใจนะหวงเงินถ้าไม่หวงก็เอาไปเลยใครอยากจะขอยืมเงินเอาไปเลย ดีใจได้ช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขไม่หวงแต่มันหวงไหมพอเราได้อะไรมาแล้วมันเราจะหวง<ม>แล้วพอใครจะมาขอใครจะมาแย่งออกไปนี่เราจะไม่พอใจ<ม>เช่นแฟนนี่พอได้แฟนมาแล้วก็หวงใครจะมาขอยืมไม่ได้ อันนี้ขอยืมแฟนไปเที่ยวท่องมันได้ไหมไม่ได้แล้วถ้ารู้ว่าเขาแอบไปเที่ยวกันนีโอทีนี้ <c oughs> บ้านแตกสาล่าขาดขึ้นมาเลยวนี่แหละคือความทุกข์ที่ที่ได้จากสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุ ข, ขกับเรา <c oughs> แฟนก็คือรูปเสียงกดลิ่นรสนี่เอง รูปของแฟนเสียงของแฟนกลิ่นของแฟนรถของแฟนสัมผัสของแฟนที่ทำให้เรามีความสุขเวลาเราได้อยู่ใกล้เขาอยู่กับเขาแต่พอเวลาเขาไม่อยู่ใกล้เราเราก็รู้สึกเหงาขึ้นมานะรู้สึกว้าเวเย่ขึ้นมาแล้วถ้าเราไปรู้ว่าเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ชอบเราเขาอาจไปมีคนอื่นนี่ยิ่งทำให้เสียใจ บางทีบางคนนี่ถึงกับฆ่าตัวตายเลยก็มีนี่แหละคือความตาบอดของพวกเราไปเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขเพราะเราไม่เห็นว่าความสุขที่เราได้มานี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันมีโอกาสที่จะจากเราไปได้ทุกเวลานาทีบางทีเขาไม่อยากจะจากเราแต่ การเขาตายไปการอุบัติเหตุตายไปหรือหรือบางทีเขาเบื่อเราเขาอยากจะทิ้งเราเรอมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาอนี่แหละคือเรื่องของความทุกข์ที่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะเราไม่คิดรอบคอบเราไม่เห็นสองอย่างของสิ่งต่างๆที่เราไปครอบครอง 1เราไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่เที่ยงของลาบยศสรรเสริญของความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่ามันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดไปพอมันหมดไปเราก็ร้องหบร้องไห้เศร้าโศกเสียใจสองมันเป็นมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เราไม่สามารถไปสั่งไปบังคับให้มันเป็นของเราอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้เสมอไปอนี่แหละคือสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีคุณสมบัติอยู่สองอย่างคือมันไม่เที่ยงสองมันไม่ใช่เป็นของเรามั น, ม, นมันเป็นของเราชั่วคราว อ, อยู่กับเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จากเราไป พอมันจากเราไปเราก็เสีย อ, อกเสียใจเสียมากเสียน้อยก็อยู่ที่ว่าเรารักเขามากหรือรักเขาน้อยถ้ารักน้อยก็เสียใจน้อยถ้ารักมากก็เสียใจมากถ้าไม่รักเลยก็ไม่เสียใจถ้าเกลียดก็ดีใจเห็นไหมถ้าเราอยากจะดีใจพยายามเกลียดสิ่งที่เรามี แล้วเวลามันไปเราก็จะได้ดีใจใช่อย่างพวกเศษขยะพวกขวดเปล่าถุงพลาสติกนี่พอมีคนขายของเก่ามาขอรับซื้อไปนี่โอ้โหเราดีใจยกให้เขาไปเลยแล้วยังได้เงินคืนมาด้วยเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนลกลุงนางในบ้านพอเขามารับซื้อของเก่าไป เราขายไปยกให้เขาไปเขเบา อ, อกเบาใจทีนี้มีที่ว่างเวลาจะไปซื้อของใหม่มาจะได้มีที่ว่างไป้ใสไวส้ไวเก็บได้ยิ่งถ้าเราเคล็ดลับของการที่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือเราอย่าไปรักเขาอย่าไปหึงหวงเขาเราต้องเกลียดเขาอยากให้เขาไปอยากให้เขาหายไปอยากให้เขาตาย พอเวลาเขาหายไปเขาตายไปก็จะทุกจะไม่จะไม่ทุกข์จะดีใจแต่มันก็จะทุกข์ตอนที่เขาไม่ไปงั้เกลียดก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีใช่ไหมบางคนเราเกลียดเนี่ยเกลียดใจเกลียดอยากจะให้มันหายไปมันก็ไม่ยอมหายไปนี้มันก็ต้องเจอมันอยู่เลยเหมือนกับมันตามมานี้ไปอยู่ที่นู่นเดี๋ยวก็ไปเจอมันที่นู่นอีกน เั็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําทให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆก็ๆคืออย่าไปรักอย่าไปชังถ้าไม่รักไม่ชังแล้วจะไม่ทุกข์เวลาถ้าเราไม่รักเขาเวลาเขาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ชังเวลาเขาอยู่เราก็ไม่ทุกข์แต่ปัญหาของใจของพวกเราคือเรามักจะรักจะชังจะเลือกเขาเรียงรองอะเลือกที่รักมักที่ชังะ ชอบอันนี้เกลียดอันนั้นพอเสียสิ่งที่เราชอบไปก็เสียใจพอได้สิ่งที่เราไม่ชอบมาก็เสียใจนั้นปัญหาของพวกเราอยู่ที่ใจของเราที่ไม่รู้จักทำใจให้เฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าเราสามารถกำจัดความรักความชังความกลัวความหลงจากใจเราได้ ใจเราจะไม่ทุกข์จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้จะมีอะไรก็ได้จะไม่มีก็ได้คือมีก็มีไปแต่ไม่รักมันไม่หวงมันไม่ชังมันเวลามันจะไปก็ไม่เสียใจเวลามันอยู่ก็ไม่เกลียดมันไม่โกรธมันนี่คือเค่นดลับของพระพุทธเจ้านี่แหละแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ สอนคนตามืดบอดอย่างพวกเราว่าเราต้องมาหัดทำใจกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เรารักหรือไม่รักเราบางทีเลือกไม่ได้เราชอบเลือกที่รักมากที่ชังกันแต่บางทีของที่เราชังไม่อยากได้ก็ต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆเช่นเสียงนินทาเห็นไมไม่ชอบไม่คนนินทา ไม่ชอบไม่คนดา่าไม่ชอบไม่คนว่าแต่มันก็หนีไม่พนะ้นเดี๋ยวก็เจออยู่เรื่อยเดี๋ยวใครเขาไม่พอใจเราไปทำอะไรไม่ถูกใจเขาเดี๋ยวเขาก็เล่นงานเราละเดี๋ยวก็ซุบซิบรับหลังเราซุบซิบบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้เลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ พอมันกลับมาถึงหูเราเนะี่ยมันก็ทำให้เราเสียใจถึงแม้เขาไม่ได้พูดต่อหน้าเราก็ตามแต่เพียงแต่เขานินทาลับหลังเราแล้วมีคนมารายงานมีสปายมารายงาน <c oughs> พอได้ยินก็เสียอกเสียใจเนี่ยมันเจ็บใจเพราะเวลาเวลาโตเวลาเจอหน้ากันยิ้มแย้มแจ่มใสพูดหวานเจี๊ยบพอลับหลังนี่เอามีดทิ่ม ทิมข้างหลังเลยแทงข้างหลังเลยเนี่ยมันเจ็บใจตรงนั้นน่ะคนหน้าไหว้หลังหลอกเวลาอยู่ต่อหน้ากันก็โอแสดงความเป็นมิตรอะไรต่างๆแต่รับหลังนี่พี่เล่นแทงเอาแทงเอาเนี <laughs> ่ยแต่ถ้าเราไม่ไปรักไปทางกับความสรรเสริญดินทาแล้วเราจะเฉยๆใครชมเราเราก็อยากไปชอบเนี่ย ใครชังเราเราก็อย่าไปรังเกียจอย่าไปรักอย่าไปชังกับลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้มีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นมีสุขกับแฟนแ้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับแฟนแต่ถ้าแฟนไม่อยู่แฟนจากไป ก็ทุกข์กับแฟนเวลามีแฟนอยู่ก็สุขกับแฟนะจะทําให้เราไม่ทุกข์ได้ถ้าเราหัดทาใจเฉยๆทําใจให้เป็นกลางอยู่กับแฟนได้อยู่กับลาบได้อยู่กับยศได้อยู่กับสรรเสริญได้แต่ต้องทําใจอย่าไปรักมัน อ, อย่าไปยินดีใครก็จะชมก็รับฟังไปสาธุไปแต่อย่าไปยินดีอ อย่าไปรักและเวลาใครนินทาเราก็จะไม่เราก็จะไม่รังเกียจเราก็จะไม่ชังใครนินทาก็สาธุเหมือนกับใครชมเนีเพราะเสียงชมกับเสียงนินทามันก็เสียงเหมือนกันนะมันไม่ต่างกันตรงไหนเสียงนินทากับเสียงชมมันก็เสียงที่เข้ามาที่หูแล้วก็ไปรับรู้ที่ใจแต่เราไปเอาความหมายของเสียง ถ้าเราไม่รู้ความหมายเขาดา่าเราเราก็ไม่เสียใจเนี่ยนกตอนนี้มันร้องเนี่ยมันอาจจะด่าเราก็ได้แต่เราฟังไม่รู้ภาษาเขาเราก็เลยไม่เสียใจเราก็เฉยเฉยเนี่ยนี่แหละธรรมชาติของเสียงมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีคุณประโยชน์หรือมีโทษคนหรือโทษอยู่ที่ใจเราไปรักไปชังมันเพราะเราไปแปลความหมายของเสียง ว่าเป็นสรรเสริญหรือเป็นนินทาแต่นี่เป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นเรายังชอบสรรเสริญเรายังลังเกียดนินทาอยู่พอเวลาเราได้สรรว์ละเสรเราก็ดีอกดีใจพอได้นินทาก็เสียอกเสียใจบางทีก็พูดคําเดียวพูดตั้งแต่เช้าแล้วตอนเย็นก็ยังเสียใจอยู่นั่นเพราะยังไปคิดถึงคํานินทาของที่เขาพูดไป บางทีไปถามคนที่นินทาก็าพูดอะไรก็าอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่เรากลับไม่ลืมเราแปงนะใครดา่าเราใครตำหนิเรานี่โอ้ยบางทีจำได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยส่วนคนที่เขาตำหนิเรานี่บางทีเขาลืมไปแล้ว<ม>เขาจำไม่ได้แล้ววนะ่าเขาพูดอะไรกับเราแต่เรานี่เอามาเก็บเอามาคิดอยู่เรื่อยๆ<ม>นี่แหละคือปัญหาของใจของพกเรา มีความรักชังกลัวหลงมันก็เลยคอยผลิตความทุกข์ให้กับเราอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์มีเงินก็ทุกข์ไม่มีเงินก็ทุกข์มีเงินก็กังวลมีเงินก็ห่วงพอมันหมดก็เสียดายก็ทุกข์พอไม่มีเงินก็อยากได้เงิน พออยากได้เงินก็ทุกข์อีกละเพราะต้องไปหาเงินหาไม่ได้ก็ทุกข์อีก <Yeah. S 2> ดูคนที่ไม่ต้องใช้เงินเน่ยไม่ทุกข์เลยพระสงองค์เจ้านี่ท่านไม่ต้องใช้เงิน <Yeah. S 2> ท่านมีอัฐะบริขารมีมีสมบัติแปดชิ้นทําให้ท่านอยู่ไดนนะ้ไม่ต้องมีเงินก็อยู่ได้ <Yeah. S 2> หิวก็มีบาทใบหนึ่งตอนเช้าก็ เดินเข้าไปในหมู่บ้านที่ไหนในประเทศไทยมันรับรองได้ไม่อดตายมีบาทใบหนึ่งถึงเวลาเช้าก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านมีข้าวกินแล้วจีวรก็มีอยู่สามเผลินก็พอแล้วที่อยู่อาศัยพุทธเจ้าก็สอนให้ไปอยู่ตามป่านั่นอยู่ตามโคนไม้ตูดตามถ้าอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตาม ท, ที่เลือนน้างที่ไม่มีใครอยูอ่ก็อยู่ได้แล้วชีวิตของเราถ้าเราไม่ไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆที่คนมืดบอดหลงไหลกันถ้าอยู่แบบพระพุทธเจ้ า, า ก, การร็ไม่ต้องทุกขกับเรื่องลาบยศสรรเสริญไม่ต้องทุกขกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่พวกเราอยู่แบบพระพุทธเจ้าไม่ได้<ม>เพราะเราไม่เคยฝึกจิตถ้าเราฝึกจิตได้ทำจิตให้เหมือนของพระพุทธเจ้าได้เพื่อทำจิตให้เป็นกลางได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าได้อยู่แบบพระอริยสงสาวกได้อยู่แบบไม่มีราบยศสันเสรสุขได้อันนี้คือเคล็ดลับของชีวิต ความสุขของชีวิตคือการไม่มีความทุกข์อย่าไปหาความสุขในโลกนี้หายังไงก็ต้องเจอความทุกข์เสมออย่าไปหาปลาที่ไม่มีก้างไม่มีหลอกในโลกนี้ใช่ไหมจับปลามากี่ตัวมันต้องมีก้างมีเนื้อมีเนื้อมันก็มีก้างติดมาถ้าอยากจะไม่เจอก้างก็อย่าไปกินปลา ไปกินผักแทนไปกินเจแทนก็จะไม่มีก้างให้กินพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็เลยไม่ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็ไปหาความสุขจากการทําใจให้เป็นกลางนี่แหละทําใจให้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงด้วยการฝึกสมาธิด้วยการฝึกสติ ถ้ามีสติก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอใจสงบใจเป็นสมาธิใจก็จะเป็นกลางใจก็จะเป็นสุขเวลาใจเป็นกลางนี่เป็นความสุขมากเวลาใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่ใจจะเย็นจะสบายเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติบาังสุ ข, ขัง อันนี้แหละเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องมาฝึกใจสอนใจให้อยู่เป็นกลางให้ตลอดเวลาถ้าเป็นกลางได้ทุกครั้งเวลาเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรจะเฉยจะสักแต่ว่ารู้ใครด่าก็เฉยสักแต่ว่ารู้ว่าเขาด่า ใคชมก็เฉยสักแต่รู้ว่าเขาชมเห็นเพชรเม็ดเทํากำปั้นก็เฉยก็เห็นว่ามันก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนหินกินไม่ได้สู้ขนมขนมไข่ขนมกล้วยไม่ได้เพชกินเข้าไปเดี๋ยวก็ก็ต้อง <laughs> ตายเท่านั้นไปกินก้อนหินสู้กินขนมดีกว่า ถ้าไปหลงอยู่ในปา่าแล้วไปเจอกองเพชรกับกองกล้วยจะเอาอะไรดีจะขนเพชรนะแบกเพชรไปแล้วแบกเพชรไปแต่หิวโซนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะออกจากป่าได้เมื่อไหร่เอากล้วยก่อนดีกว่ากล้วยกินแล้วสบายอิ่มแต่เพชรเนี่ยเพชรมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรหรอกมันเป็นก้อนหินสำหรับร่างกายมันไม่มีประโยชน์กับร่างกาย แต่สังคมเรามาอยู่ด้วยการไปสร้างคุณค่าขึ้นมาด้วยการมีการซื้อมีการขายมีการแลกเปลี่ยนกันมันก็เลยเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเท่านั้นเองบางทีเขาเอเพชรมาบอกว่าถ้าคนให้ถ้าคนอยากจะได้ได้บ้านเอาเพชรมาให้เราเม็ดเดียวเราจะให้บ้านคุณเพชรมันก็เลยกลายเป็นของมีคุณค่าราคาขึ้นมาแต่ความจริงแล้ว ถ้าไม่มีการมีค่านิยมแล้วเพชรมันก็เป็นเหมือนก้อนเห็นก้อนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่คือจิตใจของผู้ที่ไม่รักไม่เฉงไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็จะเฉยไม่ทุกข์เห็นภัยที่จะกระทบต่อร่างกายก็เฉยไม่กลัวเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งก็เฉยก็รับรู้ว่าเออเป็นเพรู้ว่าร่างกายมันต้องเป็นอ่ะ ร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาไม่หายก็ต้องตายไปในที่สุดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปกลัวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปกลัวก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่กลัวทำไมกลัวแล้วทุกไปเปล่าๆผู้ที่ฝึกใจให้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วจะจะคอยรักษาให้มันไม่รักไม่ชังไม่หลงอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้ามันอยู่ในในสภาพที่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่มันสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนที่คนที่ยังมีความกลัวอยู่นี่ จิ้งจกตกมาจากสังหลังคาก็ยังสะดุ้งวิ่งกันแต่คนที่ใจเป็นกลางนี่เขาก็เฉยเฉยดูไปดูว่าจิ้งจกตกลงมาเลอบางทีงูตกลงมาก็มีงูมันชอบมาเลื้อยไล่กินตุ๊กแกบางทีมันก็พลาดมันก็ตกลงมาพอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างพองูตกลงมานี่โกยกันเลยเลยละ่ะ ถ้าอยากจะทดสอบอารมณ์ว่าจิตใจไปถึงไหนแล้วก็ต้องมีอะไรมาทดสอบมาให้ทดสอบดูว่าเฉยเฉยได้หรือเปล่าพอมีภัยอันตรายมากระทบนี่จะเฉยได้หรือเปล่าเดีืยอใจนี่หวั่นไหวขึ้นมาตื่นเต้นตกใจงั้นมาบางคนถึงกับร้องขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าจิตใจนี่ ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพรพุทธเจ้าถึงต้องมาสอนพวกเราว่าเี่วิธีที่จะให้ใจของเราชีวิตของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายให้มีแต่ความสุขเราต้องมาฝึกควบคุมใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้ได้ ถ้าเราควบคุมได้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอะไรถึงแม้เราจะไม่มีอะไรก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีเงินทองไม่มีตำแหน่งไม่มีรางวัลไม่มีอะไรมาให้ความสุขกับเราเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขในตัวของเราเองเวลาที่ใจของเราเป็นกลาง เวลาที่ใจเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่ใจเราจะมีความสุขมากนี่แหละคือความความจริงหรือเคล็ดลับของชีวิตที่พวกเราไม่ดูกันว่าในตัวเราเองในใจของเราเองนี่มีความสุขอันยิ่งใหญ่รอเราอยู่ มีความสุขที่จะปกป้องรักษาจิตใจของพวกเรานี้ไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจของพวกเราผ่านทางร่างกายจิตใจสิ่งที่จะมากระทบกับเรารายนี้ต้องผ่านมาทางร่างกายร่างกายนี้ใช้จิตใจใช้ร่างกายเป็นตัวเชื่อม เชื่อมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เชื่อมรูปเสียงกิ่รถเชื่อมราบยศสลาเสริญพอมันเข้ามาท้าใจฉลาดใจที่เป็นกลางนี้จะไม่เดือดร้อนจะรู้ว่าอะไรจะมากระทบก็กระทบได้แค่ที่ร่างกายอะไรจะมาเป็นภัยต่อเราไม่ได้ต่อจิตใจไม่ได้เพราะจิตใจมีร่างกายเป็นตัว เหมือนกับเป็นเป็นเน ก, กาะกั้นเอาไว้ออะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ที่ร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่มาเกิดที่ใจเพราะใจนี้ไม่ได้ไปเป็นผู้ที่จะไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆผู้ที่จะไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็คือร่างกายแล้วถ้าเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรม มาเจรานวิปั ส, สนาเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราคือใจเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับเราเราอยากได้เงินเราก็ต้องใช้ร่างกายเช่นพรุ่งนี้วันทํางานต่อเตือนเช้าเราก็สั่งให้ร่างกายไปทํางาน เ้าเวลาไปทํางานแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เงินเดือนถ้าเราอยากไปเที่ยวเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปเที่ยวอไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเอไปยุโรปไปที่ไหนก็ต้องใช้ร่างกายเป็นผู้พาเราไปดังั้นเราเวลามีเหตุการณ์มาเกิดขึ้นมากระทบก็จะกระทบที่ร่างกายเท่านั้นไม่มากระทบใจ แต่ว่าปัญหาของใจเราพวกเราตอนนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาวิปัสสนาเราไม่ได้ศึกษาทมกันเราเป็นหลงคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันพอเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราก็คิดว่าเกิดขึ้นกับเราเวลาร่างกายไม่สบายเราก็คิดว่าเราไม่สบายไปกับร่างกายความจริงแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่สบายไปกับร่างกาย ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือความรู้ที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาศึกษาธรรมะกันศึกษาธรรมะแล้วเราจะได้แยกกายออกจากใจได้แล้วเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ใจไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่มาเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจเป็นเพียงผู้รับรู้ ผู้ที่รับเคาะก็คือร่างกายเวลาใครเขายิงเขาก็ยิงที่ร่างกายเขาไม่ยิงใจเขาไม่รู้ว่าใจอยู่ที่ไหนใจไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีร่างกายใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดผู้รับรู้ว่าร่างกายตอนนี้ถูกยิงรู้ว่าร่างกายตอนนี้จะตายไม่ใช่เป็นร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจไม่ได้ถูกยิงไปกับร่างกาย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันถ้าเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจขันต้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นกลางก่อนโดยการฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบการจะทําทใจให้สงบนี่เราต้องมีสติคอยกากับคอยควบคุมความคิดเพราะ ถ้าเราปล่อยให้คิดมันจะไม่มีวันสงบเมื่อมันไม่สงบความรักความชางังความกลัวความหลงมันจะไม่หายไปแต่ถ้าเรามีสติคอยหยุดความคิดได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเรามี break, าเบรกถ้าเราคอยเหยียบเบรกเดี๋ยวรถก็ต้องจอดเดี๋ยวรถก็ต้องหยุดนิ่งถ้าเราปล่อยเบรกไม่เหยียบเบรกรถมันก็จะวิ่งไปเรื่อย เราต้องเหยียบเบรคไปจนกว่ารถจะจอดแล้วเราถึงค่อยปล่อยเบรคได้ชันใดใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราต้องการให้ใจของเราเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความสงบเพื่อที่จะได้ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเพื่อที่จะได้มีความสุขอันยิ่งใหญ่เราต้องมาควบคุมความคิดระงับความคิดหยุดความคิดกัน ถ้าเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะเนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็จะเป็นกลางจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอพอเราได้ทําใจให้เป็นกลางแล้วท่านต่อไปเราก็มาสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่นี้มันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเอา ลาบยศจัละเสเหรูปเสียงเกล็ดนสดต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นเราไม่ได้เป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งจะต้องมีวันจากเราไปหมดเวลาที่ร่างกายตายไปทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทมิสหายนี่ หายไปหมดเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับเขาได้อีกต่อไปเขาก็จะอยู่ของเขาไปเราก็ต้องไปอยู่ของเราไปถ้าเราทำใจเป็นกลางได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราต้องพัดพาดจากสิ่งที่เรารักไปนี่คือเราต้องมาสอนใจ ว่าต่อไปเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เรามาตัวเปล่าๆเรามาใจดวงเดียวแล้วก็มาได้ร่างกายพอได้ร่างกายแล้วพอร่างกายโตแล้วก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆไปหาคบไปหาสามีไปหาภรรยา ไปหาครอบครัวไปหาลูกหาเต้าหาหลานหาเหล็นแล้วเราก็ไปหาลาบยศสรรเสนหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็จะหาไปได้เรื่อยๆจนกว่าร่างกายหมดสภาพพอร่างกายหมดสภาพก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรได้ต่อไปพอร่างกายตายไปเราก็ต้องจากไป เราไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้แล้วเพราะตัวที่เชื่อมเราที่ให้เราอยู่กับโลกนี้มันตายไปคือร่างกายฉะนั้นเราต้องมาศึกษาความจริงเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจให้ทำใจเป็นกลางให้ทำใจเฉยๆเวลาที่เกิดการพัดพากจากกันถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจสอนไม่ล่วงหน้าเราจะตกใจ เราจะแปลกใจเราจะไม่คาดฝันว่าเป็นได้เหรือเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมเวลามีข่าวคนตายขึ้นมานี่เป็นหน้าหนึ่งขึ้นมาทั้งๆที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งๆเป็นเรื่องที่ทุกคนแก่มาแล้วต้องตายแต่พอว่าเขาตายตอนที่เขายังเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วคิดว่าทุกคนจะต้องตายตอนแก่หรือไม่ใช่เรา ตายได้ทุกวันทุกเวลาทุกเพศทุกวัยทุกวัยไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะจะต้องเป็นคนแก่อายุเก้าสิบเก้าเหมือนป๋าเปรมนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนน ะ, อ ะ, อะพอไม่ใช่เป็นป๋าเปรมเป็นดาราอายุสามสิบยี่บแปดตายนี่เดี๋ยวข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะโอะ้คนนี้ตายดารานางงามจั ก, กรวาลตายอ ะ, อะไรทำนองนี้ เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้สอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราพอเรามีความสงบแล้วให้เรามาฝึกวิปัสสนาให้มันสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ย่อมมีความเจ ALLY, well. <tr> ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลาคจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดพลาคจากกันไปไม่ได้ให้ท่องคาถานี้ไว้จักระทั่งไม่ลืม พอไม่ลืมนาเวลามีข่าวคนนั้นตายมีข่าวคนนี้เจ็บจะรู้สึกเฉยเฉยเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องเหมือนกับมีลูกอุกาบาตกมาที่วัดยานนี่มันอันนั้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่มีลูกอุกาบาตมาตกที่วัดยา น, นี่ในงั้นนะควรจะลงข่าวใหญ่ได้ แต่เรื่องของคนแก่คนเจ็บคนตายนี่มันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาไม่ควรที่จะต้องไปลงข่าวเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แต่กลับไม่รู้กันทุกคนควรจะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดากับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครโทรมาจากใครมาใครโทรมาหาเราตอนนี้บอกใครที่บ้านตายเป็นยังไงตกใจไหม ถ้าตกใจก็เสดงว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแนละ้วแต่ถ้าเราคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยว่าเดี๋ยวต้องมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาเดี๋ยวต้องมีคนตายในบ้านเราเป็นธรรมดาไม่เขาตายเราก็ตายเป็นธรรมดาถ้าคิดอย่างนี้แล้วต่อไปใครโทรสัพท์มาบอกว่ า, ามีคนที่บ้านตายาตายก็ตายสิทํางมันเรื่องธรรมดา แล้วมีใครห้ามได้หรือเปล่ามีใครห้ามความตายได้หรือเปล่ามีใครห้ามความแก่ได้หรือเปล่าเอนี่ยคนที่รู้ทันก็จะไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่รู้ทันเนี่ยอโหตกใจร้องไห้ขึ้นมาเลยทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปเห็นคนตายใช่ไหมซ้ําไปเพียงแต่มีคนโทรมาบอกก็ร้องไห้นะดีไม่ดีคนโทรมามันแกล้งเรามันหลอกแล้ว เดี๋ยวยิงไปกอดเป็นใหญ่พอกลับไปบ้านเนาะไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติแต่ถ้าไม่บอกอย่งี้ไม่ยอมกลับบ้านก็เลยต้องบอกอย่างนี้นี่ลเนีย่ยใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้แสดงว่าใจเรานี่ไม่มีปัญญาเลย ไม่มีความรู้ความฉลาดไ ม, ไม่รู้เท่าไม่รู้เท่าทันความจริงความจริงมันแสนที่จะชัดเจนเห็นกันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกแห่งทุกคนแต่กลับไม่ทันมันพอมีความเจ็บขึ้นมาเนี่ยพอเจ็บท้องขึ้นมาเนี่ยตกใจกลัวสิเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอยิ่งถ้าเวลาไปหาหมอนี่ใจสั่นเลยไม่รู้หมอจะวิเคราะห์ว่ายังไงเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่า เนื้อคล เ, เป็นเนื้อล้ายหรือเนื้อไม่ล้ายหรือเปล่าโอ้ยท่านั้นนั่งรุ้นแล้วนั่งรุ้นอีกเหมือนกับรอให้เขาตัดสินประหารชีวิตอย่างนั้นเนอะว่าจะโดนโทษประหารชีวิตหรือจะโดนโทษจำคุกตลอดชีพแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนว่าประหารก็ประหารใว่ามันถึงเวลาก็ต้องถูกประหารนทุกคน ไม่มีใครไม่ถูกประหารกันไม่มีใครไม่ตายกันทุกคนต้องตายกันทุกคนต้องเจ็บกันอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาจะคิดอย่างนี้ได้ใจต้องเป็นกลางก่อนถ้าไม่เป็นกลางไม่กล้าคิดแล้วเพียงแต่คิดก็เสียหาว่าไปแช่งตัวเองใช่ไหมพอคิดถึงความตายว่าเราจะต้องตาย เป็นเราเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ค่าคิดหรอกทั้งๆที่พระเจ้าบอกนี่วิเศษนะเป็นความคิดที่วิเศษเป็นวิปัสสนานะเป็นแสงสว่างแห่งธรรมขอพระขอให้มีดวงตาเห็นธรรมพอบอกวิธีจะมีดวงตาเห็นธรรมกับไม่เอากันอ้จริงๆอะนี่แหละดวงตาเห็นธรรมก็เห็นความตายเนี่ยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลง ไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปตลอดรอดฟังถ้าเราเห็นแล้วเราจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมถ้าเราเห็นทันทันความจริงเราจะไม่ตกใจเราจะไม่เสียใจเราจะไม่หวาดกลัวเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันนี้แต่ทำไม่ได้เรา เสียงถามคนชอบมาถามเลยว่าจะเจริญวิปัสสนาได้เมื่อไหร่ก็ลองเอาไปเจริญดูเสิเนี่นี่แหละคือวิปัสสนาลองเอาไปคิดดูคิดได้ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่ามันต้องคิดทั้งวันทั้งคืนนะมันถึงจะไม่ลืมของพวกนี้มันกลับลืมง่ายนะทั้งที่เป็นของที่เห็นอยู่ชัดๆอยู่ตลอดเวลามันยังลืมได้นะต้องพยายามมันคิดอยู่ตลอดเวลา พอไม่คิดปั๊บจะคิดว่าไม่ตายทันทีใช่พอคิดไม่คิดปั๊บจะคิดว่าไม่เจ็บทันทีแต่เราต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆพอเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจอ้ามาแจมยินดีต้อนรับความเจ็บไข้ได้ป่วยฮะโรคอะไรมายินดีต้อนรับมะเร็งหรือโรคหัวใจหรือโรคความดันหรือโรคเบาหวานหรือ โรคไตเลยต้องไปฟอกไตเลยเอาเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายนี้มันเป็นที่ตั้งของโรคเหมือนกับโรงพยาบาลเป็นที่ตั้งของคนไข้โรคนี้ก็เป็นที่ตั้งของร่างกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของโรคถ้าไม่มีร่างกายไม่มีโรคภยยัยไข้เจ็บไปเช่ไหม ถ้าไม่มีคนนี่ไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมียาเพราะไม่มีไม่มีคนเจ็บเนี่ยจะมีคนเจ็บก็ต้องมีคนก่อนถ้าไม่มีคนจะไม่มีคนเจ็บอย่งั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดอะไรให้มากเลยยอมรับความจริงเนียถ้ามีร่างกายแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาถ้าไม่อยากจะมีความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าไปมีร่างกายเท่านั้นอ่ วิธีจะไม่มีร่างกายก็คือก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันคืออะไรก็คือความอยากความโลภความโกรธความหลงที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ความอยากได้ลาบยศสารเสริญความอยากมีความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดึงให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะพอมี ความอยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ต้องมีตาหูจมู ก, กลิ้นกายเนี่ยถ้าไม่มีตาจะดูรูปได้หป่ะไม่มีหูจะฟังเสียงได้หรือเป่าไม่มีจมูกจะดมกลิ่นได้หรือเปล่าไม่มีลิ้นจะสัมผัสกับรสได้หรือเปล่าถ้าลองถูกตัดลิ้นไปกินอาหารนี่จะไม่มีรสชาติเนีลยกินอาหารก็เหมือนกับไม่รู้กินอะไรไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือมันหวานหรือมันเค็มมันเปรี้ยวจะรู้ได้ก็ต้องมีลิ้น แล้วร่างกายนี้ก็ต้องมีถึงจะสัมผัสกับอากาศได้จะได้สัมผัสว่าตอนนี้อากาศหนาวเรื่องอากาศเย็นอากาศร้อนหรือสิ่งที่มากระทบกับร่างกายแล้วนุ่มหรือแข็งหแหลมแหลมแหลมคมหรือไม่แหลมคมเนี่ยอันนี้ต้องมีร่างกายเป็นผู้ที่จะมาสัมผัสรับรู้ได้ถ้าเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกับสัมผัสต่างๆนี้ เราก็ต้องมาเกิดพอร่างกายอันนี้ตายไปเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่ไปรอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่เพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาหาความสุขต่อไปนั่นเองพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องมาเจอปัญหาก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเรานี้ มาเห็นโทษของการมาเกิดเห็นโทษว่าเกิดแล้วจะต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่อยากจะมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่มาเกิดก็ต้องหยุดตัวที่ดึงให้ใจมาเกิดตัวที่ดึงมาให้ใจใจมาเกิดก็คือตันหาตันหาแปลว่าความอยากความอยากนี้มีทั้งที่ดีและไม่ดี ที่พูดนี้คือตัญหาที่ไม่ดีปัญหาที่ดึงให้เรามาเกิดนี่มีอยู่สามตัวคือความอยากในกามกามแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสกามคือกามะคุณห้ากามะคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลถะที่สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีกามะตัญหามีความอยากในกามะคุณห้า เราก็ต้องมีตาหูจมกูกลิ้นกายเราถึงจะเสพมันได้ mm. เราถึงต้องมามีร่างกาย mm. พอมีร่างกายแล้วทีนี้เราก็ดูได้ฟังได้ริมลดดมกลิ่นได้เพราะเรามีตาหูจมกูกลิ้นกาย mm. แต่ปัญหาของร่างกายก็คือพอได้ร่างกายมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm. ถ้าไม่อยากจะมามีร่างกาย mm. ก็ต้องหยุดความอยาก ความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอันนี้เป็นความอยากข้อที่หนึ่งความอยากข้อที่สองคือความอยากมีอยากเป็นมีใครไม่อยากมีมีใครอยากไหมอยากมีไหมอยากรวยไหมอยากสวยอยากงามอยากหล่อไหมอยากอยู่ไปนานๆไหมอยากเป็นใหญ่เป็นโตมไหมอันนี้คือความอยากมีอยากเป็นที่จะทําให้เรา้อกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ และความอีกอย่างที่ไม่ที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอแก่เจ็บก็บางทีก็ฆ่าตัวตายหนีหนีร่างกายอันเก่าทิ้งร่างกายอันเก่าแล้วเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อกลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากที่จะ ต้องกลับมาเกิดเราต้องมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้อันนี้เป็นความอยากที่ไม่ดีความอยากที่ดีไม่ต้องหยุดอยากจะทำบุญนี่ไม่ต้องหยุดอยากจะไปบวชนี่ไม่ต้องบวชอย่างนี้มาอยากมาอยู่วัดถือศีลสามวันเจ็ดวันนี่มาได้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นความอยากที่ไม่ดีเป็นความอยากที่ดีเพราะเป็นความอยากที่จะหยุดความอยากที่ไม่ดีไ แทนที่อยากจะไปที่ว่างฮะวางสามวันห้าวันแทนที่อยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ก็อยากไปอยู่วัดดีกว่าอยากไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปฝึกสมาธิอย่างนี้เป็นความอยากที่ดีอยากได้นะแต่ไปอยากอย่าไปอยากในความอยากที่ไม่ดีอย่าไปอยากไปเที่ยวอย่าไปอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปอยากร่ารวยอยากไปอยากใหญ่อยากโตหรืออยากไปอยาก อย่ยาไปอยากในสิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เราต้องหนีหรือต้องวิ่งหาสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะบังคับให้เราต้องมีร่างกายเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทาให้ใจของเราหยุดความอยากได้ก็นี่แหละต้องมาฝึกสมาธิกันมาฝึกสมาธิเพราะว่าเวลาที่ใจเราเน่งสงบนี่ความอยากหยุดทำงาน แล้วขอความอยากหยุดทำงานความรักความชังความกลัวความหลงก็หายไปด้วยใจตอนนั้นก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจก็จะมีความสงบมีความสุขเนี่ยพอเราได้ความสงบจากการฝึกสติแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาใช้ปัญญามาคอยรักษาให้ความสงบความเป็นกลางความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี้ ให้อยู่ต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถรักษาความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้เช่นพอเรามาเห็นร่างกายพอเห็นว่ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายถ้าเรามีปัญญารูถันว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะไม่ไปกลัวเพราอเรารู้ว่ากลัวก็ไม่ไปเปลีป่ยนแปลงอะไร ไปกลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่กลัวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกลัวแล้วทุกข์ไม่กลัวแล้วไม่ทุกข์จะเอาอย่างไรก็ต้องเลือกเอาไม่กลัวดีกว่าไม่กลัวก็กลับไปทำใจให้เป็นอุเบกขาต่อไปทำใจด้วยสติให้เป็นอุเบกขามันก็จะไม่กลัวมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย พอคิดถึงการสูญเสียคิดถึงการพัดภาคจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันก็ถามตัวเองว่าเราห้ามมันได้เปล่าเราห้ามการพัดภาคจากกันได้หรือเปล่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายถ้าเรารู้เราก็จะไม่กลัวะนี่คือ วิธีที่เราจะรักษาให้ใจของเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงพอเห็นอะไรสวยงามอยากจะได้ก็ต้องสอนใจว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันจากเราไปนะเวลาได้มามันดีนะแต่เวลามันจากเราไปมันจะทำให้เราเสียใจเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปตลอดได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกัน มันก็จะไม่รักเวลาเจอของชังก็เหมือนก็เหมือนกันเวลาเจออะไรไม่ชอบก็ต้องยอมรับว่าเราห้ามมันไม่ได้เราอยู่ในโลกที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเช่นวันนี้ฝนตกเราจะไปอยากให้มันไม่ตกก็ไม่ได้มันตกก็ต้องปล่อยมันตกไปก็เท่านั้นเองเราต้องเจอคนคอยด่าเราคอยว่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปว่าไป เราก็มีหน้าที่ฟังก็ฟังไปเท่านั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่มีความเยะความไม่อยากฟังเท่านั้นเองเรามีปัญหาของเราคือเราไม่อยากฟังเราลังเกียจเราชังกับเสียงนินทาเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามาฝึกใจสอนใจว่าเอถ้าไปลังเกียจไปชังก็จะทุกข์ถ้าไม่ชังก็ไม่ทุกข์จะเอาอะไรดีเอ ไม่ชังดีกว่าเอไม่ชังกับความสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นความนินทาพอเราไม่ชังเราก็ไม่ทุกข์ไหวเขาด่าไปเดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดเองลองทําตัวเป็นเสาเดิต้องไปด่าต้นเสาเดินดีด่ดาไปได้ไม่กี่นาทีก็เบื่อแล้วเพราะมันเฉยใครมาดา่าถ้าเราไปดา่าใครแล้วเขาเฉยเดี๋ยวเราก็เมื่อยปากก็หยุดด่าเองเนี่หานี่ด่าไงมันก็ไม่รู้สึก จะรู้ว่าอะไรเลยแต่ถ้าไปด่าแล้วเห็นน้องห่มน้องห้ายโอ๊ยมันใหญ่แต่ถ้าไปด่าเขาแล้วก็เฉยไม่ไม่เดือดร้อนทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนี่คนด่าเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเองเดี๋ยวก็มันหยุดเองอ่ะ yeah. yeah. เราต้องฝึกใจทำใจให้เฉยให้ได้ให้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วต่อไปเวลาเราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราจะเฉยเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่วิตกไม่ไม่กลัวไม่เดือดร้อนนี่แหละคือแสงสว่างแห่งธรรมที่พวกเราต้องการกันคือวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เราทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้เพราะเราไปสร้างความรักชังกลัวหลงขึ้นมาในใจ ที่เกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองพออยากได้อะไรก็รักพอไม่อยากได้อะไรก็ชังใถ้าเรามาทำใจให้ไม่มีความอยากได้หยุดความอยากได้ทำใจให้นิ่งให้สงบความรักความชังความกลัวความหลงมันก็จะหายไปแล้วเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวคอยรักษาไม่ให้ใจเราไปรักไปชังไปกลัวไปหลง พอเรามีปัญญาเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องไปสัมผัสรับรู้ได้ใจของเราก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปล้วก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะว่าเวลาที่ใจเราเป็นกลางนี้มันไม่มีความอยากลหลงหรืออยู่ในใจนั่นเองพอไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะดึงใจของเรา ให้กลับมามีร่างกายอันใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปก็เป็นร่างกายสุดท้ายเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ย <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าเนี่ยมีชาติสุดท้ายพอท่านนิพพานแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแต่พวกเรานี้ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายยังไม่รู้ชาติอีกเลือกี่ร้อยชาติกี่แสนชาติเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้มาฝึกฝนอบรมจิตใจ มาระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมาฝึกจิตทำใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาตอนนี้เรามาเริ่มต้นนั้นเนี่ยเช่มนมาอยู่วัดมาถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวนี้เรียกว่าเป็นะบวนการสู่การยุติการเวียนว่ายตายเกิดขบวนการที่จะหยุดความอยากต่างๆขบวนการที่จะมาสร้างความ สงบสร้างความเป็นกลางให้กับใจด้วยสติด้วยปัญญาเวลาเราสวมดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติเพราะเวลาเราสวมดมนต์เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็เป็นการควบคุมจิตใจให้หยุดคิดนั่งสมาธิกับพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ดูแต่ลมหรือพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็สงบ พอสงบมันก็จะได้อุเบกขาใจก็จะเป็นกลางขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วใจก็จะมีความสุขจะรู้ว่าอ๋อไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีการพัดพาคจากกันเรามีความสุขสงบนี้แล้วเราจะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด เวลาอยู่ในสมาธิก็สมาธิจะรักษาเวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญารักษาสอนใจให้รู้ทันกับสิ่งต่างๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าไปอยากได้มาแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีการจากไปนั่นเองพอเรามีปัญญาเราก็จะรู้ทันความอยากพอเกิดความอยากก็จะบอกนะเดี๋ยวไปหาความทุกข์นะ เพราะสิ่งที่เราไปหามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเท่านี้เราก็สามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจของเราก็จะเป็นกลางตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิแล้วเราก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม จะได้แสงสว่างแห่งธรรมคือความรู้ที่จะพาเราให้ไปหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขก็จะเกิดกับตัวท่านต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตถทินังเปตาหนังอุปกาปะติอิติตังปะทิตังตุมหังกิปะมวะสมิจาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยะถา มานิจโติหาราโสยัตถสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคาโยโกภวะภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธมวาทานติ อายุวันโนสุขังพาล่งวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จากเฟซบุ o กสามรอยี่สิบสี่ยูสองร้อยแปดสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่ผู้รับฟังบนข่ายี่สิบหกรวมหก้ยห้าสิบเก้าท่านค่ะอยอดเริ่มกลับขึ้นมาน ะ, ะช่วงนี้เป็นช่วงถามปัญหา ใครมีคำถาม <c oughs> เดี๋ยวเชิญถามได้ใครมีคำถามก็ถามได้นะมีคำถามเมื่อกี้มีใครอยากจะถามไม่ไม่เก็บตังไม่ต้องกลัวถ้ายังไม่มีเอาคำถามทางบ้านก่อนก็แล้วกันฟังคำถามทางบ้านไปก่อนอาจจะไม่เข้าใจอยากจะถามต่อก็ได้คำถามจากคุณธรรมดาโลกธรรมแปด เคสที่คนไข้ยังรู้เรื่องและอยากเจาะคอเพื่ออยู่ต่อแต่ทางญาติเห็นว่าเป็นการทรมานคนไข้ระยะยาวควรรักษาแบบประคับประคองตามอาการไปโดยไม่ต้องเจาะเคสนี้จะตัดสินใจอย่างไรดีครับอ๋อต้องเ ป, เ, ป เ, ปเป็นคนไข้เป็นคนตัดสินใจแต่เป็นร่างกายของเขาคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมถ้าคนไข้ต้องการรักษาก็ต้องรักษาสิไปฟังคนที่ไม่เป็นคนไข้ คนที่จ่ายเงินเขาก็ไม่อยากจะรักษาสิใช่ไหมงั้นต้องฟังคนไข้นอกจากว่าคนจ่ายงินบอกไม่จ่ายที่นี้หมอก็ต้องฟังใครก็แล้วแต่นะ จ, ะจะฟังคนจ่ายหรือคนไม่จ่ายนะถ้าคนจ่ายเขาบอกเขาไม่จ่ายหมอก็ต้องฟังคนไม่คนจ่ายเงินแล้วแหละใช่ไมแต่ถ้าคนไข้เขาเป็นคน คันเขาจ่ายได้แล้วเขาเขาต้องการให้รักษาก็ต้องรักษาเขาไปเนี่ยมันอยู่ที่มันถ้าพูดตามหลักแล้วมันร่างกายของใครก็คนนั้นะเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้รักษาหรือไม่รักษาส่วนหมอจะรักษาหรือไม่รักษาอยู่ที่ว่าเขาจะจ่ายหรือไม่จ่าย <laughs> คําถามจากคุณทูมัยหลวงพ่อครับ ทำอย่างไรจะได้เป็นพระอาหารหันครับไปบวชซิไปบวชนะไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้ารับรองว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นได้อ้าไปอ่านในพระคัมภีรด้วยท่านมีสอนไว้ใครปฏิบัติตามคําสอนได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นพระอาหารหันได้ ไม่ใช่เป็นของยากเยนอะไรสมัยนี้เรียนจบปริญญายัางใช้เวลามากกว่าเลยใช่ไกว่าจะได้ปริญญานี้ต้องสิบหกปีเรียนปถมมัธยมสิบสองปีเรียนปริญญาตรีสี่ปีถึงจะได้ปริญญาของาศาสนานี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเท่านั้นเองเร็วกว่าเยอะเพราะไม่เรื่องมากไม่ต้องรู้มากรู้วิธีกาจัดความอยากสามตัวนี้ก็จบรู้วิธีจเจริญสติทาใจให้สงบ พอใจสงบก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเท่านั้นเองให้ปล่อยวางเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องปล่อยถ้าถูกบังคับให้ปล่อยมันจะทุกข์ถ้าปล่อยโดยไม่บังคับมันจะไม่ทุกข์เ <c> ท <oughs> ่า น, นี้แหละไม่มีอะไรยากเย็นคำถามจากคุณตะละแม่กุสุมาการศึกษาพลังจั ก, กรามีส่วนช่วยเรื่องการภาวนาไหมคะโอนี่มาผิดที่นะผิดโรงเรียนนะ ไม่รู้ค <c oughs> ือตอบไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาคำถามจ้าคุณบุญชู <c oughs> ถ้าผมอยากถือศีลแปดในวันทํางานเพราะไม่ค่อยมีวันหยุดแต่ติดตรงที่กินข้าวตอนหลังเที่ยงเพราะต้องพักเป็นเวลาแบบนี้จะได้อ น, นี้ส่งไหมครับไม่เป็นไรหรอกเช้าไปชั่วโมงหนึ่งไม่เสียหายหรอกก็กินตอนเที่ยงน้ําไม่กินหลังบ่ายโมงก็ได้เดินไปชั่วโมงหนึ่ง สมัยนี้ประเทศต่างๆก็ยังมีเลื่อนเวลากันเลยเห็นไหมเราก็เลื่อนได้ใช่หไหมเวลาจริงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เราจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเองใช่หไหมเราก็เลื่อนเวลาเลื่อนลงไปไหนก็แล้วกันพ อ, อเวลาบ่ายโมงเป็นเวลาเที่ยง<笑><笑>เราก็เปลี่ยนนาฬิกาเราใช่หไหมตั้งนาฬิกาให้เรามันมันมันช้าทักชั่วโมงหนึ่งฮะเวลาเที่ยงมันก็เป็นยังเียังแค่สิบเอดโมงอยู่พอมันบ่ายโมงก็มันก็เที่ยง ตอนที่อเมริกาเขาเปลี่ยนานาฬิกาอยู่เลยเห็นไหมปีละสองครั้งอ่ ะ, อะเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนให้มันช้าลงอะนั้นมันแค่ชาติชั่วโมงมันไ ม, ม่มันไม่มีปัญหาหรอกได้รักษาได้รักษาไปเถอดได้อ น, นิสงเหมือนกันรับประกันคำถามจากคุณเอกการบริจาคอวัยวะต้องบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญเช่นบริจาคไตหนึ่งข้างให้กับผู้ป่วย แต่ถ้าไปบริจาคตอนที่เราตายแล้วเราจะไม่ได้บุญเพราะร่างกายเป็นเหมือนของที่เราทิ้งแล้วอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องบางส่วนคือเป็นร่างกายที่เราทิ้งนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันแล้วอีกส่วนนึงก็คือเราไม่รับรู้มันแล้วเราไม่ได้รู้ว่าเราได้เสียสละบุญเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรารักไปพะเวลาเราเสียสิ่งที่เรารักไปด้วยความยินดีใจเราจะมีความสุข ใช่ไหมยงั้นเราต้องบริจากของที่เรายังเป็นของเราแล้วก็เรามีการรับรู้อยู่แล้ใจของเราก็จะเกิดความสุขความสุขใจนี้แหละนี่คือบุญบุญแปลว่าความสุขใจคำถามจากคุณสุภกัญญาโยมเพิ่งเริ่มฝึกสมาธิเจ้าค่ะโยมควรจะเริ่มจากการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก่อนเจ้าค่ะ อ๋อต้องฝึกทั้งสี่ริยาบทเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิพอลืมตาขึ้นมาก็ลุยเลยพุทโธเลยอย่าปล่อยให้มันคิดเหมือนที่คิดอยู่คือถ้าคิดเรื่องจําเป็นก็ให้มันคิดได้แต่พอไปคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดก็ต้องพุทโธพุทโธหยุดมันนี่คือการปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดเวลา ในทุกิริยาบทส่วนการเดินการนั่งนี้ก็เป็นเพียงแต่รูปแบบฉบับอย่างหนึ่งท่านั้นเองคำถามจากคุณสุรศักดิ์ระหว่างเดินจงกรมควรให้คำภาวนาและการตั้งจิตหวื อ, อย่างไรครับให้เกิดสติและสมาธิเร็วขึ้นครับแล้วแต่เราจะชอบถ้าเราชอบพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธไปภายในใจถ้าเราชอบดูการเคลื่อนไหวของเท้าเราก็ดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไป วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้จิตเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำถามจากคุณหมูบิก๊กการแผ่เมตตาให้กับสัมมาอาชีพถูกต้องหรือยังครับไม่มีคำว่าสัมมาอาชีพมันไม่ใช่เป็นผู้รับแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องสแผ่ให้สรรพสัตว์คือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดากายทิพย์นี่แล้วเขาเป็นผู้ที่ทุก ทุกคนชีวิตทุกชีวิตนี้มีความอยากจะให้คนเขาลักเขาชอบเราทั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากให้เราเกลียดชังเขาเหตุนการให้ความรักความเมตตาเนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยความคิดเช่นเรานั่งอยู่ในห้องพระสวดมนต์เสร็จก็คิดว่าขอให้คนนั้นคนนี้มีสุขอันนี้ยังไม่ได้แผ่อันนี้เป็นการซ้อมแผ่ไว้ก่อนพอเวลาเราเจอขั้น เ, เราต้องแผ่ให้ได้ เดี๋ยวก็มีขนมก็เอามาฝากเขาเขาดา่าเราก็อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขาอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าแผ่โดยที่ไม่มีคนรับต้องมีคนรับคนรับรู้ความเมตตาของเราเราถึงจะได้ความสุขจากการแผ่เมตตาดับความทุกข์เช่นเวลาโกรธเวลาเขาว่าเราเราโกรธเราก็ให้อภัยเขาไม่จองเวรจองกรรม ความโกรธก็จะหายไปความสงบความสุขก็กลับมาเหมือนเดิมอันนี้คือการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ให้สามาชีพคำว่าสามาชีพนี่มันเป็นอาชีพสุจริตอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นถ้าหมายความว่าการมีสามาชีพเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าสามาชีพนี้จะไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเช่นไม่ไปขายสุรายาเมา เพราะการสายสุรายาเมาจะทำให้คนดื่มเราไม่มีสติแล้วก็จะไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้เช่นขับเมาแล้วขับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนกันตายได้หรือเมาแล้วอารวาสไปทุบตีคนนั้นคนนี้ไปทำร้ายทรัพย์สินถ้าไม่มีสุราขายมันก็ไม่มีดื่มไม่มีดื่มก็ไม่มีคนเมาก็ไม่มีการขับแบบเมาแล้วขับ ไม่มีการไปอาลวาดไปทำร้ายทรัพย์สินอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทำเองก็ตามแต่การขายก็เป็นการสนับสนุนการเปิดโอกาสให้คนไปทำร้ายผู้อื่นได้เราก็ต้องละเว้นอาชีพเหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาก็ได้เพราะจะทำให้ไม่เกิดการทำร้ายกันทำลายกันคำถามจากคุณเทพธิดา การที่เราบริจาคร่างกายไปแล้วพอถึงตอนตายเขาไม่รับสาเหตุที่เขาไม่รับมีหลายข้อบังเอิญเราติดในข้อนั้นๆเขาไม่รับร่างเราเราจะได้บุญไหมเจ้าคะเราตั้งใจบริจาคแล้วจะส่งบุญไหมเจ้าคะรับไม่รับก็ไม่ได้บุญอยู่แล้วแต่เขาคนรับมันจะได้ประโยชน์ถ้าเขารับไปเราก็จะได้เอาไปใช้ได้อย่างน้อยก็ไปศึกษาได้ใหเ้เป็นอาจารย์ใหญ่กับนักศึกษาแพทย์ก็ได้ แต่อาจจะไม่สามารถเอาเอาวัยวะไปใช้ได้เพราะอาจจะมีโรคเชื้อโรคติดตัวติดอยู่ในร่างกายเขาไม่กล้าเอาไปใช้เช่นคนมี HIV นี้เขาคงจะไม่เอาเอาตับเอาหัวใจไปเพราะเดี๋ยวก็เอาเอชไอวไปด้วยเขาก็อาจจะไม่รับเขาประโยชน์ได้อย่างมากก็คือเราไปสอนนักศึกษาเวลาให้ก็หัดชั น, นสูตรสมให้เขาหัดดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกาย แต่เขาอาจจะไม่อยากจะเสี่ยงก็ได้เพราะเดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวเชื่อมันกลับไปติดนักศึกษาเข้าก็ได้ก็แสดงว่าร่างกายเราไม่เหมาะกับต่อการบริจาคให้กับผู้อื่นไปใช้เป็นประโยชน์แต่บุญนี้ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเขาจะรับหรือไม่รับก็ไม่ได้บุญอยู่ดีถ้าเรา บ, บริจาคตอนที่เราตายไปแล้วเราต้องบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญ แต่เมื่อเราเขาไม่รับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บุญจากการบริจารร่างกายของเราคำถามจากคุณการสิริรดาหากกรรมหรือสิ่งที่มารดาดูแลและหากเราเลี้ยงดูมารดาและภาระหน้าที่นั้นก็มาอยู่ที่เราด้วยสิ่งนั้นคือกรรมที่เราเคยร่วมทำกับมารดามาก่อนใช่ไหมเจ้าคะคือกรรมใครกรรมมันถ้ามารดาทากรรมเราไม่ได้ทามันเราก็ไม่มีส่วนร่วม แต่ถ้าเราทำด้วยเราก็มีส่วนร่วมเช่นแม่ขายสุราแล้วเราก็ช่วยขายเราก็มีส่วนร่วมแต่ถ้าเราไม่ช่วยขายแม่เวลาขายก็ให้แม่ขายไปเวลาคนมาซื้อก็เรียกแม่แม่มีคนมาซื้อเหล้า <laughs> ผมไม่ขายอย่างนี้เราก็ไม่มีส่วนร่วมเข้าใจไหม <laughs> ขอเรียนถามเพิ่มเติมค่ะแล้วในกรณีถ้ามารดาเราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งมารดาทั้งสัตว์เลี้ยงของมารดานั้นด้วยก็ <im itation> ได้บุญไงเลี้ยงมารดาก็ได้บุญเลี้ยงสัตว์ก็ได้บุญมันก็เราถ้าเราทำก็เป็นกรรมของเรากรรมดีไง <im itation> เลี้ยงมารดาก็เป็นกรรมดีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เป็นกรรมดีอขอบพระคุณคะ่ะคาถามจากคุณวาชิ เวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนตัวเบา<ม>เหมือนตัวหายไปบางครั้งลมหายใจหายไปต้องกำหนดอย่างไรต่อครับรู้สึกว่าอ่านต่อไหมจอรู้สึกว่ามันสงบดีและชอบให้เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็รักษาลมนั้นไว้ให้มีสติรักษาความสงบความว่างไว้ไม่ต้องสนใจกับลมนะถ้าไม่มีลมให้รับรู้ก็ให้รับรู้อยู่กับความว่างพยายามรักษาความว่างนะั้นว่างไปนา น, าน ตัวที่จะมาทําลายความว่างก็คือความคิดความอยากพอมันคิดอยากจะลุกก็บอกอย่าเพิ่งลุกนั่งต่อไปอะไรมันถ้ามันมาคิดว่าไม่เห็นมันเลยนั่งเฉยๆไม่เห็นมีอะไรไปวิปัสนาดีกว่าก็อย่าไปลุกมันจะหลอกเราบอกให้อยู่กับความสงบไปนานๆเพรานวความสงบนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ทําให้จิตใจเราไม่วุ่นวายพอไปคิดปั๊บเดี๋ยวมันวุ่นวายขึ้นมาอยากขึ้นมาทันที คำถามจากคุณสรสิทธิ์พอภาวนาแล้วจิตสงบอาวิปัสสนามาใช้พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณากายกายคตาสติแล้วพอออกจากสมาธิจะกําหนดอย่างไรต่อครับอ๋อนี่ผิดแล้วเวลาจิตสงบนี่อย่าไปพิจารณาอย่างที่เมื่อกี้พูดให้ประครับประคองความสงบด้วยสติให้อยู่ไปนานๆให้นิ่งเฉยๆไปนานๆจนกว่าที่มันจะ ไม่สามารถประคองมาได้มันจะออกมาแล้วพอมันออกมาแล้วทีนี้ตอนนั้นอ่ะถ้าไปพิจารณาร่างกายได้ก็ไปพิจารณาร่างกายแต่อย่าไปทำตอนที่อยู่ในสมาธิเ mm hmm. พราะจะทำให้สมาธินี้มันหายไปแล้วมันจะไม่มีกำลังถึงแม้ว่าจะพิจารณาก็พิจารณาไม่ได้นาน mm hmm. ยังพยายามรักษาสมาธิให้อยู่ไปนานๆก่อน พล้วพอจากสมาธิมันจะมีความสงบมีพลังที่จะพิจารณาได้นานเพราะมันต้องพิจารณาเพื่อไม่ให้ลืมไงต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาหนสองหนเดี๋ยวมันลืมเหมือนหัดท่องกอไก่ขอไข่หัดท่องสองสามครั้งเดี๋ยวก็ลืมต้องหัดท่องอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันจําได้ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องจําความจริงให้ได้ตลอดเวลาตอนนี้เราชอบลืมความจริงกันืชอบลืมมนิจังทุกขังอนัตตากัน ชอบไปจํานิจจังสุขขังอัตตากันเอ อ, เ อ, อมาเลยมีปัญหา อ, อชอบไปจําความสวยความงามของร่างกายกันไม่ไปจําบบสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายเห็นร่างกายใครก็เห็นว่าสวยว่างามว่าหล่อทั้งนั้นไม่เคยเห็นอาการสามสิบสองของเขาเลยเออแสดงว่าจําไม่ได้ออลืมลืมวิปัสสนาต้องมาเจริญวิปัสสนาจนไม่ให้ลืม พอเห็นร่างกายใครพอมันจะแปว่าสวยว่า ง, งามก็จะหว่เอ้ยมันเป็นอสุภะนะมันเป็นอาการสามสิบสองนี่แหละคือปัญญาที่จะต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆนานๆนานจะทำได้ก็ต้องมีมีสมาธิที่แข็งที่ที่มีกำลังที่จะสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะหิวโหวยกับเรื่องอื่นมันจะไม่ยอมพิจารณาเรื่องปัญญา อย่างที่พูดมันจะไปคิดถึงพิซซ่ากาแฟขนมนมเนยหรือดูภาพยนตร์ดูละครดูลายดูเฟซบุ๊กขึ้นมาทันทีมันจะไม่ยอมพิจารณาถ้ามันไม่มีสมาธิมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงให้ใจอิ่มสมาธินี้เป็นอาหารก่อนที่เราจะไปทํา ง, งานเราต้องรับประทานอาหารกันก่อนใช่ไหมพอรับประทานอาหารแล้วเราก็จะได้ไปตั้งใจทํา ง, งานได้ ถ้าไปแล้วยังไม่รับประทานอาหารทำไปก็คิดถึงอาหารอยู่ื่อยเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องไปหาอาหารกินก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานางนี่แหละคือสมาธิสมาธิคืออาหารของใจให้กำลังใจส่วนวิปัสสนาเป็นการทำงานของใจใจจะทำงานได้ต้องได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารก่อนต้องได้เข้าสมาธิก่อนคำถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะ ระหว่างใช้คําภาวนาพุโทโธต้องให้สัมพันธ์กับการย่างเท้าแต่ละก้าวของเราหรือเราภาวนาในใจไปเลยส่วนการก้าวเท้าก็ก้าวไปปกติได้ทั้งสองอย่างนะบางคนเอาพาุาพโทโธอย่างเดียวบางคนก้าวเท้าอย่างเดียวบางคนเอาสองอย่างเหมือนกับลมนะลมกับพุโทโธก็เหมือนกันบางคนเวลานั่งสมาธิกับพุโทโธอย่างเดียวบางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก้าวทั้งสองอย่างปนกันเอา พุทเข้าโทรออกนะเหมือนสมัยนี้ไปร้านอาหารสั่งพิซซ่านี้เอาสองรถก็ได้ในฐานเดียวเราจะบอกเขาได้เดี๋ยวนี้เขามีให้เลือกใช่ไหมเออเอาสามรถก็ยังได้ลงอันนี้ก็แบบเดียวกันนะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกินอาหารนีอ่อาหารที่เรากินก็มีพุทธเอรมีลมหายใจเข้าออกเราจะเอาอย่างเดียวก็ได้พุทธโธรอย่างเดียวหรือเราจะเอา ดูร า, มาหมยใจอย่างเดียวก็ได้หรือเราเจะเาสองอย่างก็ได้พูดเข้าโทรออกก็ได้แล้วแต่ความชอบของเราความถนัดของเราความสบายของเราบางคนสบายกับสองอย่างก็อสองอย่างบางคนสบายกับอย่างเดียวก็เอาอย่างเดียวคำถามจะคุณดีใจดีหากเราอยากปฏิบัติที่บ้านทำอย่างไรถึงจะชนะความเกรยียดคะเกลียดคร้านในการปฏิบัติคะ ไม่มีพลังในการปฏิบัติให้ต่อเนื่องเลยค่ะเราก็ท่องทำตารางสลยเหมือนกนเราไปโรงเรียนนะหรือว่เวลาทํางานก็มีตารางให้ทํางานใช่ไหมแปดโมงปั๊บต้องต้องรีบทํางานแล้วเที่ยงเขาถึงให้หยุดเนี่ยล้วก็ทําตารางไว้ที่บ้านเลยชั่วโมงนี้เดินจงกรมชั่วโมงนี้นั่งสมาธิชั่วโมงนี้ทํางานบ้านกวาดถูบ้านทําอะไรก็แล้วแต่มีงานอะไรเราก็แบ่งจัดสัดส่วนของเวลาให้มันเหมาะสม เวลาว่างแล้วก็เวลานี้เดินจงกรมดีไหมเวลานี้นั่งสมาธิดีไหมเราต้องมีตารางนอกจากมีตารางแล้วเราต้องไม่หลอกตัวเองไม่ใช่จัดตารางไว้โก้โก้พอถึงเวลาก็ไ่ทาตามที่จัดไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจัดตารางแล้วเราต้องมีสัจจะต้องมีมีความซื่อสัตย์ต่อการจัดตารางของเรา ไม่ใช่จัดไว้โกโก้ไว้เพื่อหรอกเราว่าเออฉันมีตารางปฏิบัตินะแต่พอถึงเวลาเดินจงกรมก็ไม่เดินนี่เวลานั่งสมาธิก็ไม่นั่งไปนั่งดูทีวีแทนนี้อย่างนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเราจัดตารางไว้แล้วเราก็ต้องทําเหมือนกับโรงเรียนนะชั่วโมงนี้เรียนวิชาคณิตวิชานี้เรียนภาษาอังกฤษวิชานี้เรียนประวัติศาสตร์ถึงเวลาก็ต้องเข้าห้องอาจารย์เขาก็มารอเราแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องจัดตารางเพราะการปฏิบัติจริงๆก็เหมือนไปโรงเรียนนี่เองเนี่ยพุทธศาสนานี่ความจริงก็คือโรงเรียนเรียนเรียนธรรมะเรียนเรื่องความเป็นจริงที่เราไม่รู้กันหรือไม่สนใจที่จะรู้กันถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่มีตารางให้เรียนมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เรียนกันมันจะมีแต่ตารางเล่นอย่างเดียว ชั่วโมงนี้ก็เล่นชั่วโมงหน้าก็เล่นเล่นมันทั้งวันหมดได้ยังค่ะคําถามจากคุณเอื้อมพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทําสมาธิกับการวิปัสสนาต่างกันอย่างไรคะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยการทําสมาธิคือการให้อาหารเป็นการพักผ่อนของจิตใจส่วนวิปัสสนาคือการทํางานการเรียนหนังสือของจิตใจ ก่อนที่เราจะไปเรียนนี้เราต้องกินอาหารก่อนต้องหลับนอนก่อนเมื่อคืนนี้ต้องหลับสบายให้พอตื่นให้มาสดชื่นไม่ใช่เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวดึกเนี่ยพอตื่นขึ้นมางงเงี้ไม่อยากจะลุกอย่างนี้ก็จะบางทีหนีโรงเรียนไม่ไปนั่นต้องพักผ่อนหลับนอนให้พอแล้วก็ต้องรับประทานอาหารให้อิ่มเมื่อพอแล้วมีกำลังแล้วทีนี้ก็ไปเรียนได้ การเข้าสมาธิก็เป็นการพักผ่อนหลับนอนเป็นการรับประทานอาหารของใจส่วนการไปเจริญปัญญาก็เป็นการไปศึกษาลรื่เรียนหาความรู้ทางธรรมคำถามจากคุณการสิริรดาต่อเนื่องนะคะและธาตุกับการเข้าสมาธิเกี่ยวข้องกันไหมเจ้าคะเพราะบางทีนั่งใกล้น้ำและมีเสียงน้ำไหลจะนั่งสมาธิได้นานกว่านั่งใกล้ลม ก็สถานที่ก็มีส่วนท่านเรียกว่าสัปปายะสถานที่สัปปายะก็คือสบายสัปปายะแปลว่าสบายต่อจิตใจเพื่อต่อการทําใจให้สงบเรียกว่าสัปปายะยันเวลาที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องหาสถานที่สัปปายะสำหรับบางคนก็ชอบเสียงน้าบางคนก็ชอบเสียงลมบางคนก็ชอบเสียงผีพอเวลามีผีแล้วทําให้มีสติดีขึ้น แล้วแต่บางคนก็ไปนั่งในป่าชาบางคนก็ชอบเสียงเสือคำรามครูบาอาจารย์บางลูกท่านบอกต้องถ้าจิตมันได้สีนเสือคำรามแล้วโหยมันสงบเร็วฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีสัพพายะไม่เหมือนกันเราเห็นว่าสถานที่ไหนทำให้ใจเราสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานก็เอาสถานที่นั้นคำถามจากคุณจู หากถือศีลแปดในวันทำงานแต่จำเป็นต้องแต่งหน้าประทินผิวถือว่าขาดศีลไหมเจ้าคะและจะต้องทำอย่างไรดีคะอ๋อถ้าแต่งเพื่อความสวยงามก็ผิดเนะี่ยถ้าทำไมต้องแต่งด้วยล่ะผู้ชายมันก็ต้องแต่งนะผู้ชายก็าไปทำงานเขาไม่ต้องแต่งหน้าทาปากกันนะใช่ไหมหน้าเขาก็หน้าเราก็เหมือนกันเป็นหนังเหมือนกันมีคิ้วมีตามีหู ม, ม, มีมีจมูกเหมือนกันเมื่อผู้ชายก็ไม่แต่งหน้าได้แต่าาเวลาต้องแต่งหน้าอืใช่ไหมก็เท่านั้นแหละ ทีเ่เราไปเติดกับเขาเรียกอะไรความนิยมของสังคมสังคมควานิยมว่าเป็นผู้หญิงต้องมีเสริมหน้าตาให้ดูดีหน่อยให้มีชีวิตชีวาหน่อยเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปติดกับรถของนินิยมของสังคมนะแล้วเราก็ทำแบบผู้ชายไปเขาไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็เพียงแต่ล้างหน้าให้มันสะอาดหวีผ้าหวีผมให้มันเรียบร้อยก็ใช้ได้ดูประเทศเลประเทศท่านเคยแ ต, แต่งหน้า่ ใช่ไหมท่านไปงานไหนท่านก็หน้าเดิมทําทำไมท่านไปได้อะจริงไหมท่านสูงขนาดไหนท่านก็ยังไม่ท่านก็ยังไม่แต่งได้เลยหมดเวลามีใครอยากจะถามไหมว่าไม่ถามเดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วนะหมดเวลาพอดีอ่าไม่มีนะ